ซพ่งพากันตั้งใจเวลานี้เรามาประชมุมกันในศาลาการประเรียนนี้เพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนดี <c oughs> ให้นึกว่าเรายังไม่ดีพอ ดีเป็นบางอย่างบางอย่างยังไม่ดีเมื่อมันไม่ดีพร้อมมันก็ยังบกพร่องอลู่บกพร่องอะไรบกพร่องความสุขเมื่อมีความดีน้อยความสุขมันก็น้อย เมื่อมีความดีมากความสุขมันก็มากไปตามกันอันนี้เรียกว่าเหตุกับผลเพราะฉะนั้นทุกคนนะก็ทบทวนดูจิตใจของตัวเองก็พอที่จะรู้ได้ว่าตนมีความสุขสมบูรณ์แล้วหรือยัง แต่แน่นอนอนะ่ะทุกคนก็ตอบตัวเองไดนะ้ว่าตนยังมีความสุขไม่สมบูรณ์เลยดังนั้นมันถึงได้ ด, ดิ้นรนกันน ะ, ะคนเรานะี่บางคนก็ดิ้นรนหาความสุขไม่ถูกทางก็เลยไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงบางทีก็ไปเจอเอาความทุกข์เข้าซ้ำ โดยเฉพาะความสุขในกามนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นของมีรสอร่อยมากแม่บวชเป็นพระเป็นสงฆ์เข้ามาแล้วใจมันก็ยังชอบอยู่มาอยู่วัดแล้วทั้งกายทั้งใจแล้ว แล้วส่วนใจมันยังวิ่งเข้าไปในบ้านอยู่มันเข้าใจว่าเมื่อได้ไปหมายรูปเสียงกินรสอันสี่งตนชอบใจนั้นไ้แล้วมันจะมีความสุขนั่นเรียกว่าความเข้าใจผิดไปแทนที่มันจะได้ความสุขมันก็กลับได้ทุกข์ เพราะว่าจิตใจไปผูกพันกับของไม่เที่ยงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังคนเรานี่นะมันหลงมันเมากันขนาดจริงๆนะดังนั้นไอความรักกับความชังนะมันจึงมาเป็นคู่กันนะท่านเมื่อเวลา รูปเสียงที่ตนรักใคร่อยู่แล้วนะมันยังสมบูรณ์อยู่มันก็มีความสุขใจมีความรื่นลังใจดีอยู่ท่านอยู่ไปอยู่ไปรูปเสียงที่ตนรักใคร่พอใจนะั้นมันสุดโทรมไปหรือมันแสดงทียาไม่ดีอะไรต่ออะไรไปอ่ะ เกิดความเกลียดทางขึ้นมาแล้วทุกข์ใจแล้วั น, นี่ยบนให้เพื่อนฝูงฟังเฮ้ยเมียของเราเนี่เป็นเล่นโชว์จาก อ, าอย่างนี้เลยมันไม่ซื่อสัสตย์ต่อผั ว, วกุ้มใจเหลือเกินไอฝ่ายเมียก็เหมือนกันไม่รู้ว่า หัวของตัวไปตีจา่าไปสมคบกับหญิงอื่นกับไปปราบทุกข์ให้เพื่อนฟงังเหมือนกันเลยเนื่อขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ตกเป็นทาสแห่งกันหานี่มันหาความสุขไม่ได้หรอกความจริงไอ้ความสุขเบื้องต้นนั้นมันเป็นเหยื่อล่อ ให้ติดอยู่ในความทุกข์ดังที่เราจะเห็นกันในโลกอันนี้แหละเมื่อได้แต่งงานกันมาแล้วโอ้เข้าใหม่ปลามันอร่อยดีเหลือเกินท่านไปไปแล้วก็เกิดมีรสขมขืนขึ้นมาผู้ที่ผ่านมาแล้วนั่นก็ต้องรู้ดีเรื่องหมู่นี้นะ ผู้ที่ยังไม่ผ่านมานี่สงสัยะ <c oughs> จะไปสงสัยอะไรแล้วมันไม่น่าสงสัยอะไรหรอกของโมเนี่ไม่ต้องมองด้วยตาปัญญาอะไรก็ได้มองด้ดวยตาหนังนี่ก็เห็นว่าคนเรานี่ย <c oughs> ผู้บริโภคกรมคุณเนี่ยมันมีทุกข์เหมือนเรือร่อนขนาดไหน อันนี้มันปรากฏชักอยู่เลยนะแต่ผู้ที่มันจมไปแล้วนั้นน้อยคนจะถอนตนออกมาได้เพราะมันมีเชือกผูกมัดรัดรึงเอาหลายเส้นแก้ไม่หลุดไม่แก้ไม่หลุดแล้วถ้าจำเป็นจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นเนละ ส่วนัวจะตายจากโรคนี้อันผู้ที่มีบุญวัตรสนามบรารมีแก่กล้าพอสมควรนึ่งก็สามารถถอนตนออกได้อันนี้นะพ่อเป็นสิ่งที่ควรคิดคนเราเกิดมาในโลกนี้นะ ทั้งนักบวชทั้งผู้ครองเรือนก็เหมือนกันควรคิดควรพิจารณาผู้ใดพิจารณาเห็นทุกภัยในสงสารนี้แล้วก็จะได้ทบทวนดูต้นเหตุของมันมันมาอย่างไรมันถึงได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีเหตุทางนั้นแหละก่อมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีใจคลองหรือไม่มีใจคลองก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ในตัวเลย <c oughs> เช่นต้นไม้อย่างนี้นะมันงอกขึ้นจากพื้นแผ่นดินนั่นนะมันก็อาศัยอุตุธาตุของแผ่นดินนี้แหละ อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนีมน่มันมันผสมส่วนกันเข้าไปแล้วมันก็งอกขึ้นมาได้ถ้าที่ไหนที่มันไม่ผสมส่วนกันได้ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้นะั่นอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ สิ่งที่มีวิญญาณคองได้แก่มนุษย์และสัตว์ในรารฐันหรือตลอดถึงพวกสัตว์นรกเปรดอสุรกายก็ดีพวกเทวดาอินพรมหมมูนี้มันก็ร่วนตั้งแต่เกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยทั้งนั้นเลยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งตัณหา อวิชช า, ากรรมอาหารหมูนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้ใดเกิดมาในโลกนี้มันถึงได้มาเมาอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดก็เพราะตัณหามันแต่งดวงจิตนี่ มาตั้งแต่้าติก่อนโน้นนะมันแต่งให้เกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรมานับชาติไม่ท้วนแล้วตัญหามันแต่งจิตหรือว่าจิตมันแต่งตัญหาพอๆอกันเลยแต่ถ้าจะว่าให้ตรงต้นแล้วก็คือจิตที่ไม่รู้นี่แหละ มันสร้างความอยากขึ้นในใจเมื่อมันอยากขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแสวงหานี่การแสวงหานั่นมันก็ต้องลำบากเป็นทุกข์บางคนก็แสวงหาไปในทางทุจริตก็เป็นบาปเป็นกรรม อ, อันนั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่บาปกรรมนั่นมันก็นำให้ผู้นั้น สบถทุกทนทรมานแบบนี้ไปในสงสารบางคนผู้มีปัญญาหน่อยก็แสวงหาในทางสุจริตก็ยังชั่วหน่อยผู้เช่นนั้นนะ่ะพอจะได้หายใจสะดวกอยู่บ้างการอยู่ในโลกนี้ก็ดีการละละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ดีก็จะได้หายใจสะดวกสบาย อยู่บ้างแต่มันก็ยังไม่ยั่งยืนอยู่ได้ความสะดวกสบายอันนั้นนะ่ะมันมีขอบเขตเมื่อมันหมดขอบเขตก็มันลงแล้วมันก็สลายไปความสะดวกสบายเรานั้นนะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานะนะั้นน่ะ พยายามขจัดสิ่งที่มันเป็นภัยต่อชีวิตนี้ออกไปผู้ใดไม่พยายามผู้นั้นก็จะได้ประสบภัยที่บัตรประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆอยู่ร่ำไปอย่างนั้นแหละชาติแล้วก็ชาติเล่าอย่างเช่นคนบางคนน่ะเกิดมาแล้วคำเวรตามสนองเอา เกิดมาแล้วมีแต่ความวิบัติมีแต่ความยุ่งยากได้รับแต่ทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่นไม่ใช่เหรอนี่เรื่องแตผู้ประมาทแต่ชาติก่อนหนนหลังนู่นไม่เพียรละความชั่วไม่เพียรทําความดีดีก็ทําชั่วก็ทําปนเปกันไป บางคนทําชั่วอันอย่างหน้าอัปรีไปดื่มเหล้าเมาสุราเข้าไปกําอันดื่มเหล้านั้นมันก็ติดตามมาเกิดในโลกนี้ก็มาตกแต่งให้เป็นคนใบ้คนบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดามีอยู่ดาดื่นเลยในโลกอันนี้แต่คนเราไม่ค่อยเชื่อหรอก พอความอยากน้นมันท่วมหัวใจเห็นแล้วก็เห็นไปอย่างนั้นแหละมันไม่เชื่อว่ากรรมอันดื่มเหล้านะ่มันจะมาตกแต่งให้ตนเป็นใบเป็นบ้าเพราะว่าอาวิชชาความไม่รู้มาครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไม่ยอมละเว้นหมูนี้แหละ ไอ้เรื่องกรรมชั่วนี่มันพรรพัดแหละมันตกแต่งให้คนเรานี่นะแต่บางคนมันสะบวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นหมดไปแล้วมันนี้บุญที่เขาทำแต่ก่อนนั้นนะมันตามมาตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์เลยลืมตัวไปเลยลืมนึ ก, กว่าตนไม่ ได้มีกรรมไม่มีเวนอะไรตามสนองให้เป็นทุกข์เลยนี้แหละมันมันลืมตัวอย่างนี้แหละคนเรานะ่ะ <c oughs> ต่อเมื่อใดกรรมชัว่วนั้นมันตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์ไ ม, ม่กรรมมันก็มีแต่ร้องครวญค้างอยู่ร่ําไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันไม่รู้นี่มันไม่คิดละเว้นเลยเกิดมาชาติใดก็ดี เอา้าวพรรมดีตกแต่งให้มาเป็นคนมาแล้วม น, นี้มันก็บกคล้องทางสติปัญญาเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาแต่ก่อนเพียงจะได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ข้าวน้ำพอชนะอาหารพ่านงองค์ารผเป็นดานเท่านั้นแหละมันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ แต่ชาติก่อนกนไม่ได้สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหรนักดังนั้นเกิดมาชาตินี้เนะี่ยสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในทางศีลทางธรรมมันจึงไม่ค่อยมีคนบางคนบางพวก <c oughs> มันจะ ไปฟังเทศพระท่านแสดงให้ฟังอย่างไรอย่างไรก็มันไม่เข้าใจได้เพราะมันไม่สนใจมาแต่ชาติก่อนโน้นนั่นแหละผู้ฟังทำแล้วเข้าใจความหมายแห่งคำมัคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นก็แสดงว่าผู้นั้นเน่ะเมื่อเคยสนใจเคยฟังมาแล้วแต่ก่อนเป็นอุปนิสัยติดตามมา แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์การฟังนั่นนะยังไม่ยังไม่แจ่มแจ้งพอเต็มที่ดังนั้นเกิดมาชาตินี้มันก็จำเป็นก็ต้องมาฟังต่ออีกมาศึกษาเราเรียนต่ออีก อ, อย่างนี้ให้พากันตื่นตัวการที่บุคคลจะมีศรัทธายินดีในการ ระดั บ, ร, บรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ง่ายนะคิดใถ่ดีหรือพระพุทจะยินดีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ง่ายนะักคนไม่มีบุญเป็นทุนติดมาแต่ก่อนแล้วไม่มีทางหรอกมันจะมายินดีปฏิบัติตามนั่นนะ่ะ <c oughs> มีแต่ท้อใจเลยแหละถ้าได้ฟัง ข้อวัดปฏิบัติที่พระท่านแสดงให้ฟังเข้าไปมีแต่ท้อใจมีแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นั่นผู้ใช่นนั้ น, นแสดงว่าบุญกุศลน้อยเต็มทีความรู้ความฉลาดน้อยเต็มทีแล้วกิเลสมาก อ, อาวิชาตัญหาครอบงำจิตใจมากอย่างนี้แหละ โทษที่บุคคลเป็นผู้กล่าวคำหยาบโลนต่างๆ น, น, นานาไม่สำรวมวาจาของตนอชอบดา่าชอบแช่งให้ผู้อื่นชิบหายวายวอดอะไรสารพัแต่คนบางคนเนี่ยคำดา่าคำแช่งนั่นมีมากเหลือเกินนะ พอแต่ชาติก่อนนั้นน่ะเป็นผู้ไม่สำรวมวาจาอย่างว่านี่เนะี่ยอกรรมนั้นมันก็ติดตามมาเกิดมาชาตินี้เป็นคนปากเหม็นพอแต่ปากออกแต่ละทีกลิ่นเหม็นพุ่งไปใส่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดกันนะจนว่าต้องเบือนหน้าหนีไปเนี่ยโทษ กล่าวว่าจะหยาบคายกล่าวคำเท็จกล่าวคำเท็จนี่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นคนลิ้นไก่สั้นปากคือพูดรัวรัวอยู่ในรูคอหนุนะไม่ได้สับใสแสงอะไรเลยนี่แหละโทษที่บุคคลพูดปดนะพูดคำหยาบนี่ทำให้เป็นคนปากเหม็น อันบนนี้มันมีอยู่ดาาดืน่นผู้มีปัญญาแล้วต้องสังเกตไปเห็นบุคคลเช่นนั้นเข้าไปแล้วก็ต้องนึกถึงตนของตนว่าถ้าว่าตนประพฤติเช่นนั้นน่ะตนก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงจงสำรวมวาจาคำพูดทุกการทุกสมัย อย่าไปชอบพูดคำหยาบโลนสาบแช่งต่างๆนั้นนะอย่าไปชอบพูดโกหกเรื่องไม่จริงพูดเล่นก็ไม่พูดพูดเล่นนั่นแหละมันก็เป็นจริงได้เพราะทำให้คนเขาหลงเชื่อเมื่อเขารู้ว่ามันเรื่องนั้นไม่จริงเขาก็เสียใจนี่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียใจ <c oughs> มือนก็เป็นกรรมเป็นเวร มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะไม่มีเจตนาพูดเท็จเลยว่ากันเว้นเสียแต่พังเผอการพังเผอนั้นท่านไม่ปรับโทษเป็นบาปศีลข้อนี้นะมันต้องศึกษาอย่าสักแต่ว่ามีวาจาเฉย เราต้องศึกษาคำสอนของพระตัวเจ้าว่าเราจะพูดยังไงมันถึงจะดีมันจึงจะเป็นบุญกุศลมันจึงไม่เป็นบาปอันบวนี้เราต้องศึกษาใส่ใจเมื่อเราเกิดเป็นคนมาแล้วนะอันบุคคลผู้ที่สนใจในการเรียนในการท่องการจำ คำสอนของพระพุทธเจ้าพอใจอย่างเต็มที่อย่างนี้นะแล้วเรียนท่องจำแม้จะไม่ได้มากแต่ก็พอใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนท่องสนจำได้นั้นอยู่พยายามศึกษาค้นคว้าพิจารณา ให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนเรียนมาตนจำมานั่นแหละก็ลงมือปฏิบัติตามไปอันนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเกิดไปชาติใดก็จะเป็นคนมีสติมีปัญญาการศึกษาเราเรียนก็ไปได้คล่องแคล่วดี เพราะผู้นั้นนั้นได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนได้สนใจในการเรียนการจําการเขียนการอ่านมาไอ้เรื่องอย่างนี้นะต้องคิดต้องพิจารณาอคนเรานะ่ะมันจะมันจะต้องท่องเที่ยวไปในโลกสงสารอยู่เพราะทุกคนก็รู้ดีว่าบุญของตนยังน้อยกิเลสยังหลายอยู่อย่างนี้ เมื่อรู้ว่าตนจะต้องท่องเที่ยวไปในสงสารนี่อย่างนี้เก็ต้องปรับปรุงกายวาจานี่ให้มันดีไปในชาตินี้นั่นไงเดี๋อชาติต่อไปนั้นมันจะได้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมันจะได้รับความถูกความรื่นเริงบันเทิงใจเช่นอย่างที่ท่านกล่าวคําโครงไว้สิ่งที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นไงถึงพูดดีเป็นศีรษะ มีคนรักรส ถ, ถอยอร่อยกิดถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้แสดงว่าหัวจจคำพูดนี่เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระทำทางกายเหมือนกัน ก็คนพูดชั่วแล้วทำให้คนอื่นเขาเกลียดชงังจนถึงเขาก็ประหัดประหารชีวิตให้ล่มให้ตายไปมีเยอะแยะในโลกอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ในหน้าหนังสือพิมพ์มุนันก็ลงกันแทบทุกวันเลยเรื่องฆ่ากันเมื่อไปอ่านดูแล้วบางรายก็ว่า เกิดจากปากเสียไปด่าเขาให้เสียเสียให้หายไอ้ผู้ที่มันใจร้อนมันก็ไม่อดไม่ทนนะมีอาวุธอยู่ในตัวมันก็ชักออกมาซัดเอาผู้นั้นซะตายลงไปถ้าตำรวจจับได้ก็ได้เสวยทุกขังสองฝ่ายก็อย่างนั้นแหละดังนั้นท่านเพึ่งกล่าวไว้ว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีอท่านยกปากนี่เป็นเอกนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนี่ดังนั้นทุกคนต้องศึกษาต้องสำเนียกต้องฝึกจนให้เป็นคนฉลาดพูดพูดให้มีประโยชน์อเรื่องใดไม่มีประโยชน์อย่าไปพูดมันมันเสียเวลา ไม่ไม่เสียเวลาพอ่าๆมันเสียใจน้่นะทำใจให้ขุนมัวเศร้าหมองเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่มากมากในกามอย่างนี้เอา้าได้ผัวได้เมียมาแล้วก็ยังไม่พอใจในความรักในระหว่างผัวและเมียผ็ยังเลยออกไปรักคนอื่น นั้นตะพฤติตาพือไปอย่างนี้ฮอีกฝ่ายหนึ่งรู้เข้าก็เสียใจทะเลาะวิวาทกันก็เลยได้รับความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเลยวนันนี้นั่นเลยเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายัางตราร้อมเป็นบาปนั่นเลยกาเมสุวิชาจานย์ประพฤติผิดในกามมันเป็นบาปอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ ท้าไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่เมื่อมันเกิดความทุกข์เดือดร้อนปัจจุบันนี้แล้วอย่างนี้ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันจะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีก็ใจดวงเดียวนี้นะไม่ใช่หลายดวงเมื่อมันเต้าหมองขุนมัวในโลกนี้แล้วหากคลดไม่บุคคลใดไม่ตื่นตัว ไม่ช้ำละมันให้ผ่องใสคืนอย่างนี้นะเมื่อล้ะโลกนี้ไปแล้วมันก็หอบเอาความเศร้าหมองนี่สิตัวไปให้สังเกต ด, ดูปัจจุบันนี้ก็แล้วกันแหละคนเราผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานใจต่างๆหมดนี่นะมันล้วนแต่ใจเศร้าหมองทั้งนั้นเลยถ้าใจผ่องใสเบิกบานอยู่มันไม่ตินทุกข์เผือดร้อนอะไรออ นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการกระทำสิ่งใดพูดสิ่งใดถ้ามันทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ผลมันก็สะท้อนมาหาตนตนก็พอยเดือดร้อนไปตามเหมือนกันนะมันเป็นยังไงเช่น <c oughs> <c oughs> ไปฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้นะแล้วเขาก็เป็นทุกข์เขาก็เจ็บก็ปวด เขาก็สะดุ้งว่ากลัวตอบใครคือความตายเต็มที่เลยอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่ให้กรรมนั้นมันตามสนองผู้ที่ไปฆ่าผู้อื่นนั้นได้รับทุกข์เช่นเดียวกันนั้นอย่างไรแล้วถ้ า, าแล้วมันไม่มีผลตามสนองอย่างว่านั้นโอ้ยมันก็เอาเปรียบกันเกินไปแหละโลกอันนี้นะ กดธรรมดาคงจะไม่ยกให้หรอกเห็นไปฆ่าผู้อื่นให้ตายไปแล้วนี่ตนเราไม่ได้เสวยทุกข์ทนทรมานอะไรเลยอย่างนี้นะมันไม่มีในโลกนี้พระพุทธ เ, เจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยนี่นละให้สนใจกันให้มากๆไอความชั่วต่างๆเหล่านี้นะ อย่าละเลยเป็นนักบวชก็ตามเป็นคารังหัดก็ตามแหลเป็นนักบวชมันก็ต้องได้เว้นกรรมชั่วเหล่านี้ถ้าว่าผู้ใดเป็นนักบวชไม่เว้นกรคมชั่วเหล่านี้ได้แล้วมันก็ไม่มีทางแล้วมันจะไปเว้นมันจะไปสำรวมอระวางศีขาบทที่ไหนน้อยใหญ่เหล่านั้นได้ไม่ได้เลย <c oughs> ดังนั้นพุทธบรรธัญญา่าข้อนี้นะทรงห้ามไว้ให้ไม่ให้บุคคลเราทำชั่วทุกชาติทั้นวันนะทุกเพศทุกวัยไม่เลือกเลยนะั่นนะจะเป็นคนชาติใดภาษาใดจะเป็นเพศใดวัยใดก็ตามนะทรงบรรัญญัติห้ามทั้งนั้นเลยอื <c oughs> เพราะว่าทําลงไปแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมมันนําสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันในเบื้องหน้าถ้าเป็นบาปกรรมอันหนักอย่างนี้นะมันก็สนองให้เป็นทุกข์ไปนานตั้งเป็นกลับเป็นกันนนนะตั้งหลายกลับหลายกันก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะไปเสวยทุกอยู่ไม่นานเท่าไรแล้วมันจะพ้นมาได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคิดให้ดีๆถ้าผูใ้ใดไม่เชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้อันนั้นนะมันก็ไม่ต้องพูดกันเลยอันที่เราพูดกันอยู่นี่เราพูดกันในฐานะชาวพุทธเหมือนกันเชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนกันไม่ไม่ได้พูดให้บุคคลที่ไม่เชื่อต่อพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถึงพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนั้นให้คิดดูกฎธรรมดามีอยู่ว่ามนุษย์โลกอันนี้นะ ้าพยุคใดสมัยใดคนมีอายุต่ำกว่าร0อยปีลงมาแล้วไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกแม้พระพเจกก็ไม่มีพระเจ้าจากาักรพรรดิราชก็ไม่มีผู้มีบุญหนักสักใหญ่ไม่ได้มาเกิดนั่นแหละกฎธรรมดาซึ่งพระพุทธเจ้ารู้แจ้งนำมาแสดงไว้ สมัยใดยุคใดคนมีอายุยืนยาวเกินกว่าแสนปีขึ้นไปในยุคนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกเพราะอะไรเล่าเพราะคนมีอายุยืนมากเช่นนั้นมันไม่รู้จักทุกเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี่ สั่งสอนให้รู้จักทุกข์ให้เบื่อหน่ายในทุกข์เช่นให้เบื่อหน่ายต่อการเกิดการแกร่การเจ็บการตายนี่นะมันเป็นทุกข์หลายอย่างนี้แหละให้เบื่อหน่ายในทุกข์ในอาัยภูมิการทำบาปกรรมตายแล้วไปตกนระกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันทุกข์หลาย นั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตัดสู้ในโลกก็มาที่ให้คนเห็นทุกภัยต่างๆเหล่านี้แต่แล้วคนที่มีอายุยืนอย่างนั้นที่อย่างไรมันก็ไม่เห็นตามเพราะมันเกิดมาแล้วมันไม่เคยแก่มันไม่เคยเจ็บมันไม่เคยเห็นคนตายเลย <c oughs> อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่มาเกิด ในโลกสมัยเช่นนั้นอันคนอายุต่ำกว่าร้อยปีลงมามันมีกิเลสหนามากถึงแม้มันจะมีอายุสั้นเห็นกันตายกันดาาดื่นอยู่ไงมันก็ไม่สังเวชสลดใจไม่เบื่อไม่นายถึงกรรมเวรจะตามสนองเอาให้เจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายทรมาน อยู่อย่างไรมันก็ยังไม่เบื่ออยู่ในชีวิตอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นยังไม่คิดที่จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ดำริในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไม่เคยคิดกันเลยคนที่มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบนั่นแหละคนอายุย้อนกลัวร้อยปีลงมานะ่ะ ก็เหมือนยังคนสมัยนี้นะมีอายุไขยเพียงแค่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นดังนั้นมันถึงมีกิเลสหยาบขายมากมายเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่เว้นเลยถ้าคิดทั่วโลกนี่แล้วมันจะฆ่ากันทุกชั่วโมงทุกนาทีไปนู่นเลยเบียดเบียนกันนะแต่เมืองไทยนี่ แตาลำพังเมืองไทยนี่นะมันก็อาจจะคิดเป็นชั่วโมงก็ได้คุณนะหรือว่าอาจจะห้าชั่วโมงต่อคนก็ได้ค่ากันนะวันหนึ่งหนึ่งนะแต่เขาเขาพวกหนังซือพิมพ์ไม่สามารถจะไปตามเอามาลงได้ทุกกรณีเท่านั้นหรอกเรื่องมันนะอันนี้แหละ <c oughs> คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเห็นแจ้งประจักษ์ให้คนได้พิจารณาเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งได้ถ้าผู้พิจารณานะผู้ที่ไปพิจารณาเนะี่ะมันก็เลยไม่รู้ฮะไม่รู้เลยไม่รู้เหตุผลถึงไม่เคารพนับถือคําสอนของพระพุทธเจ้า น, นั่นเอง ถ้าผู้ผู้ใดพิจารณาสังเกตผลแห่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะมันก็สอดถึงอดีตได้เลยแบบนี้นะนั่นแหละอย่างคนปัจจุบันเนี่ยมันฆ่ากันมากมากมันบียดเบียนก่อความพินาศที่ห้ายแก่กันมากมากหมนี่เป็นเครื่องสอดถึงชีวิตของมนุษย์เราแต่อดีตนหนลังนู่นแต่ละคนนะ มันได้ทำบาปทำกรรมเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นมานันกรรมนั้นมันจึงติดตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นอ่นั่นแหละอดีตกับปัจจุบันเนะมันเกี่ยวโยงกันมาวันนี้ผู้ใดมีความสุขความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรมาเบียดเบียน อย่างนี้นี่มันก็เป็นเครื่องสอนถึงเบื้องหลังแห่งชีวิตของเขาผู้นั้นว่าเชาตชะก่อนเขาเขาเว้นจากกรรมมันชั่วเขาไม่เบียดเบียนใครเขารู้จักให้อภัยแก่ผู้มาเบียดเบียนตนไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทใครไว้เลยแล้วเขาทําแต่ความดีด้วยกายวาจาใจดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ย ้็กรรมดีนั่นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสมันก็นํามาให้ผลบคุคคลพวกนั้นก็จึงได้มีความสุขสม่ําเสมอไปนี่เราก็เห็นกันอยู่อันนี้กับข้อมีคนที่มีบุญที่ได้ทํามาแต่ก่อนได้มีความสุขความเจริญไปจนแก่ชราจนเอถึงแก่อานิจกรรมไป ก็พอมีแต่ว่าลูมันจะมีปริมาณน้อยไอคนที่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแล้วตายไปนี่ยมีมากมายเหลือเกินเพราะคนทาชั่วมันมีมากเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละฉันดใดจะชาก่อนนั่นคนทาชั่วก็มีมากเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคนทำดีมีน้อยเหมือนกันเลย ยุคใดที่คนมีอายุต่ำกว่าร้อยปีลงมาก็มักจะมีแต่คนมีกรรมมีเวรนำมาเกิดในโลกนี้นะคนมีบุญมาเกิดน้อยเหลือเกินน ะ, ะมัเป็นอย่างนั้นยุคใดที่คนมีอายุยืนยาวนานนับแต่ร้อยปีขึ้นไปถึงพันปีหมื่นปีแสนปีในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะมักจะมีคนมีบุญมาเกิดมากคนมีบาปมาเกิดน้อย อย่างนี้หละดังนั้นอ่ะโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละมันถึงหน้าทำความดีจริงๆคนเรานี่นะหน้าละเว้นจากความชั่วจริงๆนะเพราะว่าผู้ใดเว้นจากกรรมมันชั่วได้แล้วในชาตินี้ตั้งหน้าทำแต่ความดีไปอย่างนี้ ถ้าจะต้องได้เกิดอีกในภพในชาติต่อไปอย่างมันก็เกิดดีทั้งนั้นเลยวันนี้นะท่านนะทั้งมีอายุยืนยาวนานทั้งมีวันนะทองไสทั้งมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแน่นอนนะธรรมดาคนมีอายุยืนนี่ไม่ค่อยมีโรคภัยอะไรเบียดเบียนแล้ว มันจึงอายุยืนไปได้ถ้าโรคภัยเบียดเบียนบ่อยๆอย่างคนในสมัยปัจจุบันนี้มันจะอายุยืนได้อย่างไรอ่ะอ น, นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกําลังสติกําลังปัญญาอ่า น, นั่นเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยกําลังบุญวาสนาบารมีทางต่างเช่นนั้นแหละมันถึงมีอายุยืนยาวนานไปได้คนเราเนยะ ดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงยินดีในการฝึกขนอบรมจิตนี่ อ, อบรมจิตนี่อย่างเป็นผู้ครองเลือนอย่างนี้ะจะมาเจริญธรมรมถ่าอิัฒนาให้เข้มงวดกวดขันอย่างผู้เป็นนักบวชนี่คงจะทำไม่ได้ เพราะว่ามันมีกิจธุระการงานมากการทำมาหาเรีง่งชีพมันมีมากดังนั้นเพียงแต่ทำความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในคุณพระรัตนาไกลนี่ให้ม า, มากขึ้นในใจ อ, อย่างหนึ่งโดยถือว่าคุณพระรัตนาก r นี่แหละ บุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นนี้ที่เรากระทำมานี่นะเป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นอย่างดีทำใจของเราให้มีความสุขความสบายได้ก็เพราะบุญเพราะคุณนี่แหละนี่มองเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นลงไปไม่ลืมเลือนอย่างนี้นะก็ยังมีความสุขพอสมควรทีเดียวนะผู้อยู่คลองเรือนนะ ถึงแม้จะไม่ได้เจริญสมถาวิปัสนาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณจนละอาสวะขาดจากสันดานไปได้ก็ก็ตามผู้ที่มั่นในบุญในคุณแล้วไม่ทำบาปเว้นบาปได้ดังกล่าวมานั่นนะก็ยังพอมีความสุขอยู่ได้ในโลกนี้นะละโลกนี้ไปแล้วก็อย่างว่ามาแล้วนั่นนะ ก็ต้องมีความสุขจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดที่มีความสุขสบายบุญกุศลความดีเหล่านี้ก็ไปแต่งความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นนั่นถ้าเป็นภิกษุสามเณรชีพเขาวอย่างนี้นี่หากว่าไม่ประมาทแล้วนะตั้งอกตั้งใ จ, จเจริญสมถวิปัสนาไปอย่างนี้ แน่นอนแหละสามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสอันมักตรองอยู่ในจิตใจนี่มานมนานหลายชาติหลายภพแล้วนี่ให้เบาบางออกไปได้จริงๆเขามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่เนื่องจากว่าชีวิตนั้นมันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นไม่ได้แสวงหาเรื่องชีพอย่างชาวบ้านนั้นด้วยตนเองก็่แสวงหาเพียงแต่ ทายบาทเข้าไปในบ้านใครมีศรัทธาก็ใส่ให้มันก็ได้มาแล้วก็มาขบมาฉันกันเท่านั้นไม่ได้ทำการหงส้มอีกซ้ำอันนี้ดังนั้นเระถึงได้มีโอกาสมีเวลาได้เจริญธรรมถาวิปัสนาเต็มที่ไปเลยดังนั้นนักบวชนะจึงไม่ควรประมาท ไม่ควรมัวเมาเพราะว่าเรามีโอกาสเต็มที่ <c oughs> ไม่ได้คิดอ่านการงานต่างๆว่าทำยังไงหนอเราจะมีเงินมาใช้มาจ่ายมาเลี้ยงครอบครัวความคิดอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้แหละทำยังไงหนอเราจึงมีบ้านอยู่อย่างมั่นคงถาวร ทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้มีผ้านุ่งผ้าห่มสวยๆงามๆทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขาอะไรโมนี่นะมันไม่ได้คิดไม่ได้วิตกวิจาร์เลยสําหรับเป็นนักบวชแล้วนะเนื่องจากว่าไม่ใช่หนทางของนักบวชที่จะไปคิดเช่นนั้นมันก็มีวินัย บัญญัติท่ามไว้เลยแม่แต่ทำเตียงนอนอย่างนี้นะพระศาสดายัางบัญญัติท่ามไ ม, ไม่ไม่ให้นอนเตียงใหญ่เตียงของคนคู่ทำเตียงนอนก็ต้องให้เป็นเตียงนอนได้คนเดียวเท่านั้นได้สองคนสามคนไม่ได้อันนั้นมันเป็นเตียงนอนของผู้ครองเรือน ผู้มีลูกมีเมีย <c oughs> ดังนั้นแหละการเป็นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเป็นเพศอันสะอาดไม่มัวหมองแต่แต่จะให้สะอาดแต่เพศอย่างเดียวเท่านี้มันก็ยังไม่พอทําอะไรไม่ได้เนาะ นุ่งห่มเรียบร้อยอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าความประพฤติทางกายวาจาใจนนยังไม่ตรงต่อธรรม่าวินัยเช่นนี้นั้นจะเป็นผู้สะอาดไม่ได้เลย ใ, ในในภในภาวินัยอย่นี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นมันต้องสะอาดทั้งภายนอกทั้งภายในคนเร า, าภายนอก ก็รักษาผ้านุ่งผ้าหม่มนุ่งห่มไปพอสมควรก็ต้องซักต้องฟอกไว้เสมอจะให้มีเหงื่อใครไปติดเกิดกังจนทรงกลิ่นให้แก่ตนและผู้อื่นได้สูดดม <c oughs> ร่างกายก็อาบน้ำชำละขัดถูเหงื่อใคร ให้สะอาดพอสมควรอย่างนี้เลยเรียกว่าสะอาดภายนอกมาหนี้นอกจากทำความสะอาดร่างกายเครื่องรุ่งเครื่องหอมภายนอกนี้แล้วอันนี้แล้วันยังทําความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่ทายมูลนีต่ต้องได้ทาความสะอาดไปหมดบางคนก็ แต่ทําความสะอาดแต่ร่างกายกับผ้านุ่งผ้าห่มเท่านี้แหละเหลือที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม่สอยต่งางๆให้ถกกระปร ก, กรูงลังไม่รู้จักเก็บจักงําอย่างนี้ก็มีนั่นนี่อย่างเช่นลานบ้านอย่างนี้นะใต้ถุนบ้า น, านมีอะไรต่ออะไรถกกระปกปรกรูงลังไปหมด มียากขึ้นร้อมบ้านเจ้าของอยู่ก็ยังไม่ชำระสะสางไม่ทำความสะอาดอก็มีคนบางคนนะอย่างนี้แหละแสดงว่าเป็นคนมีใจเศร้าหมองเมื่อใจเศ้าหมองแล้วมันไม่มันไม่ชอบสะอาดคนเรานะ <c oughs> เพราะใจใจมันเป็นใหญ่กลัวกายกลัววาจากลัวทุกอย่างอย่างว่ามาแล้วนะั่นแหะ เมื่อใจสกกระปงแล้วอย่างนี้ใจมันก็ชอบภายนอกทําให้ภายนอกสกระปงเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าภายในจิตใจมันสะอาดห่องใสยอยู่แล้วนี่แน่นอนเี่ยความเป็นอยู่ภายนอกก็สะอาดนี่มันไปตามกันเรื่องมันนะ่ะมันเป็นงนั้นให้สังเกตดูจิตใจภายใรของเราอ่ะ ความประพฤติทางกายการแสดงออกทางกายก็มีกิริยาละมุนละไมอ่อนโยนการพูดการจาอะไรออกมาก็ระมัดระวังคาพูดพูดด้วยวาจาอ่อนโยนนิ่มนวลและพูดอย่างมีเหตุมีผลก่อนจะพูดอะไรนั้นก็กันกรองก่อนพิจารณาก่อน ถ้าเรื่องนี้มีเหตุมีผลควรพูดก็จึงค่อยพูดไปถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลที่สมควรจะพูดก็ไม่พูดเลยพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟังเมื่อจิตใจมันฉลาดแล้วมันมันก็แสดงออกถึงวาจาเลยพอดีว่นี่การพูดการพูดจาปาศัยอะไรก็เป็นคำเฉลียวฉลาด <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นภายในกับภายนอกมันเนื่องกันอย่างนี้หละดังนั้นทุกคนเมื่อได้ฟังเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วก็คงจะพอสรุปได้แล้วว่าการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่นะเป็นสิ่งจำเป็นต่อตัวเองแท้ๆบทสรุปนะนั่นนะถ้าใครไม่คิดที่จะฝึกฝนจิตใจตัวเองนี่ ให้สะอาดปราศจากบาปอากุศลต่างๆแล้วผู้นั้นจะไม่มีความสุขเลยสุขกระสุขชั่วคราวอย่างว่านั้นเนี่ยเหมือนอย่างช้างพระผูงูแลบลริ้นเท่านั้นเนี่ยจะได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารมั่นคงยืดยาวนานไปไม่มีอมเปอเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็จะปล่อยตนให้เป็นคน มีใจมัวหมองจะเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นลํำไปหรือนี่ต้องถามตัวเองดูคนเราเนะี่ยอย่าไปให้แต่ผู้อื่นถามผู้อื่นสอนอย่างเดียวตนเองนั่นแหละสอนตัวเองอยยังดีกว่าผู้อื่นสอนอีกทั้มนะตนเองสอนตนเองนี่มกักจะเอาตามมาัเกียเชื่อฉั้นผู้อื่นสอนฝ่ายเดียวแล้วไม่ค่อยเชื่อหรอก <c oughs> ดังนั้นน่ะก็ลองสังเกตดูเป็นยังไงอ่ะสมถะนี่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงบอกไว้คือทำใจให้สงบทำไมพระองค์เจ้าจึงสอนให้ทำใจสงบมันก็มีเหตุผลสี่ก็ใจที่ไม่สงบแล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นนะ นีพระองค์ทรงพระเมตตาต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายนั้นมีความสุขก็จึงบอกวิธีฝึกจิตนี้ให้ความหมายเป็นยังไงเมื่อพยายามเพ่งจิตฝึกจิตนี้ให้สงบลงได้แล้ววันนี้ก็ทรงสอนให้ฝึกปัญญาให้เจริญขึ้นต่อไป ฝึกให้ดำริให้ถูกทางอย่างงี้นะดำริในใจว่าโอ้ทํายังไง ห, หนอเราจึงจะพ้นจากกิเลสประกรามวัตถุ ก, กรรมนี้ไปได้นี่เพราะว่าไอเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะกับพวกกิเลสเหล่านี้แหละมันตนเองไปหลงสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็รบควรจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละอย่างนี้ ทำอย่างไรเนอเราจึงจะพ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านี้ไปได้ถ้ามาดำรีอย่างนี้แล้วประกอบกับได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามามันก็มองเห็นช่องทางได้เลยโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญธรรมะข้อนั้นพิจารณากรรมฐานข้อนั้น เมื่อกรรมาฐานข้อนั้นมันเกิดขึ้นแจ่มแจ้งในใจแล้วมันจะละกิเลสตัว น, นี้ออกไปได้ถึงละไม่ขาดก็เรียก ว, ว่ามันบรรเทาลงไปนี่แหละอุบายวิธีที่จะกาจัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจอันนี้มันก็เกิดจากความดำริเบื้องต้นขึ้นมาก่อน ถ้าใครไม่ดำริอย่างว่านั่นแล้วไม่มีทางมันจะละกิเลสได้มันก็มีแต่สะสมมันมาให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่งั้นเอาจิตใจมันชอบเบียดเบียนชอบโกรธฉุนเฉียวกับคนอื่นชอบทุบตีผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้น ะ, ะเมื่อเมื่อรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้ววะนี้ เป็ น, นั่งภาวนาลงไปก็ดำรีแล้วทำใจสงบลงแล้วทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวณต่างๆมนนี้ไปได้เนอะทำไม่จิตเราจิตใจของเราเนี่ยมันจึงยึดมั่นในความโกรธนี่ไว้ซึ่งเป็นกิเลสที่ไม่น่ายึดถือเลยอ่ะ เพราะว่าเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วใจร้อนแผนไฟนี่แต่ปัานก็ยังยึดถือเอาไว้อยู่ทำอย่างไรหนอเราจึงจะกำจัดมันได้เมื่อดำรีต ร, ตรีตองพี่นางนี่บ่อยเข้ามันก็มองเห็นช่องทางเนี่ยก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วหมดนั่นนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญเมตตาให้มางมากแล้วความโกรธความไยาบายอะไมันจะเบาบางไป พอดำดิ่ขึ้นอย่างนั้นแล้วก็มองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขที่จะคำจัดกิเลสเหล่านี้ได้ก็ต่อจากนั้นก็จเจริญเมตตาเรื่อยๆไปให้มากๆจเจริญไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเลยมนะันเวลาใดก็ให้จิตเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตาธรรมจิตของเราให้คิดจะให้ตนและผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นถูกทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้น ไม่คิดที่จะให้ใครชิพยาไวยวอดเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยนี่แล้วก็มาดำหือตรีตองไปอย่างนี้นะบางคนก็ไปชอบเบียดเบียนชอบทรมานสัตว์อื่นนี่นิสัยมันชอบเช่นชนไก่กัดปลาชนวัวชนควาย กันเอาเงินลงพ น, นันกันเอาเงินเอาทองกันอะไรแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนนะดังนั้นควรรู้ตัวการที่ไปทำให้สัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันมันชนกันมันตีกันมันกัดกันอย่างนี้ จนต้มจนตายก็มีจนตาบอดไปขาหักไปก็มีอะไรหมดนี่นะแล้วจะไม่ให้กรรมเวะนะั้นมันตามสนองแก่ผู้จัดให้สัตว์เหล่านั้นมันทาร้ายกันอย่างไรได้หลอนั่นเลยเออก็คิดให้มันเห็นเลยแบบนี้นะเออการทีเออ่เลี้ยงสัตว์ไปแล้วให้มันไปตีกันกัดกัน ชนกันวันนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรเนาะ อ, อย่างนี้ไม่ควรทําเลยอย่างนี้ถ้าผู้ใดทำหลีดได้อย่างนี้แล้วถ้าผู้นั้นเคยทําอย่างนั้นมาแต่ก่อนมันก็ละได้แบบนี้เพราะมันมองเห็นกรรมเห็นเวร น, นี่ถ้าถ้าจับจัดมาขังไว้มันก็ปล่อยแบบนี้นี่แหละการเจริญวิปัสสนาก็ ใช่เมื่อทําใจสงบแล้วก็มาดําริติตองอย่างเนี้ขี้เล็ดในใจของตัวมันมีอย่างไรอ่ะเมื่อดําริดดูมันก็เห็นแล้วนี้นะเอเอา้าตอนนี้เป็ น, ปนราคะจริตรักสวยรักงามมากอย่างนี้เป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้นะเมื่อไปทําใจสงบลงไปแล้วก็มาดําริดทำอย่างไรเนาะเราจึงจะ ละความกำหนัดยินดีมูลนี้ได้มเมื่อดำรีไปมาก็เห็นช่องทางอย่างว่ามาเรียกนั่นเนี่ยถ้าหากว่าดำรีพิจารณาอสุภะร่างกายสังขารนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามลงไปแล้วมันก็ยังไม่บรรเทาลงอนี้ก็ททรมานทางกายเข้าใส่อีกอดนอนผ่อนอาหารลงไปทำความเพีย ไม่หยุดไม่หยอ่อแนแสดงความกล้าหาญในการทําความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสละชีวิตเพื่อความเพียรตายแล้วแล้วไปถ้าตนยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้หรือบรรเทากิเลสเหล่านี้ไม่ได้ก็ตายตายก็แล้วไปมันต้องใจเด็ดเดี่ยวลงพานนั้นนะ มันถึงเอาชนะกิเลสหยาบหยาบหมู่นี้ลงได้ถ้าใครยังกลัวตายอยู่นั้นไม่มีทางหรอกมันจะไปเอาบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงได้บางคนบางคีนะพอาบยเพ่งดูร่างกายตนก็ดีเพ่งดูร่างกายผู้อื่นเพ่งว่าจะให้มันเป็นของเน่าของเปื่อย น้ำเลือดน้ำหนองไหลอะไรออกมาโมนี่เพ่งไปเพื่อนมากลับมันสวยงามขึ้นกาเก่าซ้ำก็มีเนี่ยเรื่องราค่าตัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ย่อยนะดังนั้นเราต้องทรมานทางกายเข้าช่วยอีกด้วยไม่ใช่ไปทรมานใจใจอย่างเดียวผู้ใดมีราค่าตัญหากล้ามากนะ แต่ผู้ใดาราคาตัณหาไม่กล้าเพียงเจริญสมถาวิปัสนาไปอย่างนี้นี่